ทำกัน <c oughs> พูดถึงเรื่องเรานี่แหละพูดถึงเรื่องกายเรื่องใจเรื่องการเจริญสติมีสติไปในกายการปฏิบัติการฝึกหัดทำไมหม่ ย, ยังไม่เป็นมันก็หลายอย่างถ้าทำเป็นแล้วมันก็ไม่มีอะไร ทำใหม่ๆนี่ก็หลงก็เป็นหลงหลายรอบหลายข้างหลายหวนยากผู้ควมหลงยากผู้ควมคิดอยากให้มันผิดไม่อยากให้มันผิดมันก็ผิดอยากให้มันถูกมันก็ไม่ถูกอยากให้มันสงบมันก็ไม่สงบมันฟุง่งซ่อน เพราะนั่นแหละทำไปใหม่มักิดเป็นอย่างนั้นกันทุกคนบางทีก็เบียดค้านบางทีก็ขยันบางทีก็เบื่อหน่อยคิดหนะ้าคิดหลังอะไรผิดอะไรถูกทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้น บาทีก็คิดถ้าเรื่องนีสิ่งโน้นสิ่งนี้เปรียบเทียบบาทีก็ม่วเหงาหอนอนยากข ม, มัว่วเห่ืงนั้นยากท้อ ย, ยากพระหลุงพหลังถ้า้าเป็นแล้วหัดเป็นแล้วไม่มีอะไร มีจะรู้มีจะเห็นรู้เห็นพบเห็นง่ายๆอะไรก็เห็นเป็นหน้าโลกไม่ได้ไม่ได้หา <c oughs> ไม่ลึกลับเป็นความลึกซึ่งรู้กับรู้ซือ่อ เวลาอะไรมันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้ก็รู้ซื้ อ, อไม่ใช่ไปผิดไม่ใช่ไปถูกนะก็เลยง่ายเลยสะดวกงั้นคนทำงานทำเป็นแล้วงานมันพาไปมือมันพาไปอัดใหม่ๆต้องใช้สมองใช้ตาบางทีก็ไม่เป็น ทำเท่าไหร่ก็ไม่เป็นก็เลยเป็นเรื่องยากเมื่อเป็นเรื่องยากก็ท้อถอยไม่เอาการเอางานเดยทำอะไรไม่เป็นท่องหนังสือหลายเที่ยวหลายโลกก็ไม่ติดหลงมากกว่ารู้เวลาท่องหนังสือก็หลงเอายากเป็นง่าย อยากให้มันติดมันก็ไม่ติดท้องแล้ ว, ลวก็ลืมอย่างนี้เนือยังไม่เปลี่ยนมก็เป็นอย่างนั่นหละลองท่องธรรมจบท่องอร่อยท่องหลักสูตรต้องทอมตีโทเอกให้ได้กับปากให้มันติดปากถ้าติดแล้วก็ไม่ยาก หมวดหนึ่งหมวดสองเก้าก็ปลายมีคนถามก็เห็นได้ตอบได้ทันทีเข่นปฏิบัติไม่ผิดคือปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไม่ผิดคือทำอย่างไรศีล ส, สมหรวมกายวาจาเอียบร้อย ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกิ่นลิ่นรถถูกต้องปฐพภาอารมณ์ที่ข้องงามสมรวมลงนี่ปฏิบัติไม่เผิดชาคติญานุโยคประกอบความเพียรเห็นจฉนอนมากนะักข้อที่สองข้อที่สาม โอเชเนมัจจานุจารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารตามสมควรถ้าปฏิบัติสมอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างถ้ามันตตอบได้เพราะมันติดปากมาห้าหกสิปีแล้วจะติยิ่งกว่านั้นไม่มีคำพูดเห็น มันเห็นอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเห็นทุกอย่างเห็นแล้วก็หลุดพ้นทุกอย่างค้นทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นภาระเป็นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่เหมือนสิ่งภายนอก ภายนอกไฟไม่ป่าต้องไปดับไฟจนจิตตายก็ยังทำได้ป่ามันไม่มีปลูกป่าจนปลูกป่ามันก็ยังทำได้ภายนอกถ้าไมาคิดดูแล้วภายในมันไม่ยากขนาดนั้นเมื่อเป็นประเพียงทำความเห็นให้ถูกต้อง ทำความเห็นให้ถูกต้องมันเห็นอะไรมันมีอะไรไม่เห็นทุกรอมทุกไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องนี่ทำความเห็นให้ถูกต้องไม่ได้เอามือไปไล่ไม่อาไม่ได้อับเหงื่องาบใครอะไรมันฉุกทำความเห็นเห็นฉุกให้ถูกต้อง อะไรที่มันเกิดกับการกับใจทำความเห็นให้ถูกต้องเรียกว่าสมมาทิฏฐิบูกเบิกไปได้เลยมันทางเซเวไปได้เลยผิดมันก็บอกผิดถูกมันก็บอกถูกเป็นการสัมผัสไม่ใช่ความคิดชีวิตทั้งกายทั้งใจสัมผัสสิ่งที่เป็นเป็นธรรมไม่เป็นธรรม มันของเกิงแท้ๆการปฏิบัติธรรมได้พบเห็นของเท็จของกก่งของที่มันไม่กิง้งนัน ก, ก็แล้ว ก, ก็อยู่ไม่ได้ของที่มันกิ้งก็ใช้ได้จะไปหาอะไรที่ไหนพวกเราเนี่ยนอ หลงพระขอไม่จริงเสียเวลาพระของไม่จริ ง, เ ป, ร ง, รงเป็นของเท็จเช่นความทุกข์อยนี่ยมันไม่จริงไปทุกข์ก็มันทําไมจริงที่มันทําให้เกิดทุกข์มันก็ไม่จริงมันไม่มีบางทีก็เราไปข้อน้อมเหลวเฉยเยมันไม่มีจริงจริงไปยืดเตาเมื่อตัววาตนของเรา ก็ยังเสียเตียบความไม่จริงอยู่เสียเวลาบางทีก็สมมติบัญญัติก็ยังหลงในสมมติบัญญัติบัญญัติเอาในรูปในรสในกิน่นในเสียงในอารมณ์ถ้าชอบป้าไม่ชอบถามตามความชอบถามตามความไม่ชอบความเห็นไม่ถูก ให้เกิดความเห็นผิดอยู่เฉยๆก็บัน ญ, ญัติว่าชอบว่าไม่ชอบอยู่เฉยๆก็ปองแแปเพราะไม่เห็นของเทศของจริงโดยเฉพาะเห็นความคิดเนี่ยต้โต้ที่สุดละเนี่ยมีสติอย่างเต็มที่อะไรก็ผ่านมาหมดเหลืออยู่ันเดียวคือความคิด มันไม่เหมือนตาเห็นรูปไม่เหมือนหูที่ยินเสียงแกมูกไรขิดเล่นในรูดกายสัมผัสอารมณ์ที่เกิดกับกิจใจนั่นเป็นอารมณ์แล้วตอนที่มันคิดที่มันเป็นสมทุทัยเป็นสังขารที่มันคิดขึ้นมาคิดแต่สังขารเนี่ยมันออกง่ายมันเข้าง่ายถ้าไม่มีสติสติไม่เป็นอินทรีย์แล้วไม่ทันมัน เราไม่ทันมันก็ดึงเราไปเป็นฉุกบ้างเป็นทุกบ้างเป็นอะไรได้หลายอย่างเกิดจากความคิดเป็นใหญ่คิดเป็นใหญ่คิดเป็นหัวหน้าสาเร็จที่คิดถ้าจิตชั่วแล้วโคโยก็ทํามําอยู่ก็ตา ม, ามก็ย่อมเป็นไปตามความคิดที่มัน ไม่ถูกต้องเรามีปัญหากับความคิดคือนว่าฝันกลางวันไว้คิดออกม้วนคุ้นคิคดผลผันผันแรกผูะความคิดหลงเอหลงผูะความคิดตายก็ตายผูะความคิดเจ็บก็เจ็บผูะความคิดทุกข์ก็ทุกข์ผู้ความคิดสุข ก, ก็สุขผู้ความคิด แต่พอมาเห็นสติมันแก่กล้าขึ้นมาเนี่ยมันมีพลังเพียงพอที่จะวัดเวียงคิดไหล่แล้วก็เปรียบเทียบกันนี่แหละสติมันเปรียบเทียบเทียบไหล่ของความคิดนี่ขั้งสุดท้ายะระบายก่อเทียบไหลงลองดูมันไม่มีอะไรทําแล้ว ลายเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามันไม่เอาจริงกับกายเคลื่อนไหวหรอกเป็นส่วนเล็กๆน้อ ย, อยไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปจ่องกับมั น, มนเดินจกกงกรมกว่าเดินไปธรรมดาแต่พอมันเอาจริงๆมันเห็นคิดน่ะนะรับขึ้นมาทันทีนะแต่กายเคลื่อนไหวอยู่มันก็เกิดจากความคิดที่มันทำให้ผิดให้ถูก ะจะเอ๋ลองพ่อพูดว่าจะเอกันต่อหน้าต่อตาจับใต้ไล่ทันคาหนังคาเขาเหมือนกับจับโจรพลายสารภาพหมดเปลือกจับได้ตามทันเหมือนกรรมตามทันเป็นอุตรีก เป็นกรรมที่จำนวนเป็นกรรมที่รับสารภาพชิ้นกรรมก็ชิ้นตรงนี้หมดกรรมก็หมดตรงนี้แต่ว่ากนที่จะไปรู้เรื่องนี้มันก็ต้องฐานมีฐานมีที่อาศัยเพื่อให้เกิดความเฉื่อยแข็งตู้สึกตัวที่กาย อีบทที่กายเคลื่อนไหวเป็นฐานที่ตั้งงั้นเราจะฟันต้ น, มต น, น, มนไม้ต้องยืนให้แน่นมันจึงจะมีแรงถ้าไม่มีที่ยืนทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีฐานไม่จะขึ้นสูงก็ต้องมีที่ยืนมีไม้นั่งล้านมีเครดขึ้นไป จะไปนอนไม่ยืนมันก็ทำไม่ได้ต้องยืนหนักแน่นกำลังขากำลังเอวกำลังแขนกำลังแวงเหลืองแรงเบี่ยงมันก็ได้กรรมฐานเนี่ยมันดีดีนะมันให้เราใช่จริงจริงนะกายเนี่ยให้เราใช้ได้ ทำจากหนักๆเป็นร้อยเป็นพันกิโลก็ทำได้ทำของที่มันไม่มีเป็นความทุกข์ความหลงอ่นี้มันไม่มีแต่ว่ามันใหญ่ที่ฉุดเราก็อนภาวะที่ไม่เป็นอะไรมันแข็งแกร่งเหมือนน้ำที่มันคมกว่าทุกอย่างในโลก มันโจ๋เห็นโจ๋เหล็กได้นานะ้าแห้มันอ่อนแล้วก็เชื่อมแข็งภาว่าความรู้สึกตัวเลยมันนิ่มนวล น, นะแต่มันชนะอะไรทั้งหลายทั้งปวงได้มีความรู้สึกตัวนลยกิเลสจะพันหน้าตัณหาจะร้อยแปด ก็ไม่ต้องกลัวถ้ามีสติรู้สึกซื่อๆเนี่ยภาว่ะซื่อๆเนี่ยเราภาวะซื่อๆเนี่ยเหมันน้ำแง่น้ำมันคดแต่น้ำไม่ได้คดมันก็ไหลไปซื่อๆของมันเองน้ำพองน้ำชีน้ำโมน้ำโขงน้ำเจ้าพราะพยามันคด ใจน้าไม่คดไหลไปตรงที่มันไหลตลดเวลามันควรจะไหลไปก็ไหลไปตรงๆนั่นะมันไม่คดไปกับพื้นดินวัตถุความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่คดไปกับ วัตถุอาการต่างๆความโกรธความโลภความหลงความเกิดแกลเจลียตายมันคดความพอใจความไม่พอใจมันคดโคง้งแต่ความรู้ก็รู้ไปซื่อไปเน่มันก็ซื่อไปเนี่ยมือนรู้ไปเนี่ยลเลยสําเร็จในความซื่อของน้ําได้ไปที่ในก็คืนน้ํา ไม่เป็นอันอื่นมันสุกก็รูซื่ อ, อเป็นทวงรูไปไม่ใช่สุขเสแล้วยาันทุกก็รูชื่ อ, อไม่ใช่ทุกเสียแล้วเป็นความชื่อของสติให่มีได้จะซื่อสัตว์เท่ากับสติที่เอาไปใช้งานใช้การกับอะไรมันสุกวันทุก รู้ซื่อเข้าไปสุขทุกข์ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าหนักเป็นภาร ะ, ะอะไรถ้าสุขเป็นสุขเป็นภาร ะ, ะแล้วมีงานเกิดขึ้นแล้วทุกข์เป็นทุกข์เป็นภาร ะ, ะแล้วต้องเป็นกรรมเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีกรรมก็มีกิเลสเมื่อมีกิเลสก็มีวิบากเกิดขึ้นแล้ว กรรมกิเลสวิบากไม่ซื่อเส็จแล้ววนอยู่ตรงนั้นกิเลสกรรมวิบากกรรมเป็นต้นเหตุถ้าหลงเป็นหลงหรือว่ามีกรรมหลงเป็นต้นเหตุเมื่อมีกรรมต้องมีกิเลสติด บางทีก็ติดสุขติดสุกติดโกติดโลกติดหลงติดความคิดติดสมมติติดบัญญัิก็เป็นกิเลสเมื่อติดแล้วก็มีวิบากสุขก็เป็นสุกไปทุกก็เป็นทุกไปวิบากกรรมแล้วก็เป็นเลกเตียดก็เป็นเลียดไป ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีตัวมีตนอะไรเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นมาสมมุติอุปโลกขึ้นมาหาหูเสยหัวตัวเองขึ้นมาอยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆไม่เอาชอบลุกดื้อลุกลนจบน้นจบนี้ดื้อ ไม่ซื่อไม่ตรงต่อชีวิตของตัวเองเลยไม่มีชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรต่ไม่เป็นอะไรกับบอลไยมันสุขก็ไม่สุขกับความสุขมันก็รู้ซื่ อ, อได้ยินไหมไม่เสียงไหมม <c oughs> ันทุกข์มันก็ ทุกซื้อไม่ได้มีรสชาตินี่คือชีวิตไม่ได้สุขไม่ได้สุขกับเขาได้ได้ชีวิตแล้วมันรู้ซื้อเข้าไปเห็นอะไรก็รู้ซื้อเข้าไปมันได้ความซือซื้อจากกายจากใจมีตามีหูมีจมูกไปลิ้นมีกายมีใจ ไม่รูปไม่รสไม่กินไม่เสียงได้กวมซื่อๆจากนี้มันได้จากที่อื่นถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็อาจจะไม่มีละ่ะชีวิตนะ่ะนั้นสุกมันทุกข์มันผิดมันถูกมันได้ชีวิตตรงนี้นะน่นจะมีชีวิตชีวะตรงนี้นนเลยพูดว่าเห็นไม่เป็น เห็นนะสติจะเห็นนะเห็นนะสติจริงๆมันจะมันใช้งานได้คือเห็นลู้เห็น <c oughs> สติจะเห็นเป็นหน้ารอบไม่เหมือนหน้าเนื้อ <c oughs> หน้ารอบรอบ โลบลู้ในกองสังขารทั้งหลายสังขารคือมันปรุงอะไรปรุงตรงไหนโลบลู้ไม่ปกติแล้วกันลาบที่มันนิ่งมันก็เพื่อมตรงไหนลู้ก็ห่อนิ่งไม่เหมือนกับกับเพื่อม ถ้มีสติมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอะไรแล้วชีวิตมันกะเพื่มตะวันน้ามันไม่มีคว่ากะเพื่อมเป็นคลื่นไม่ใช่น้ามันเป็นคลื่นต่างหากน้ำมันไม่มีคลื่นสุขมันไม่ใช่ชีวิตทุกข์มันใช่ชีวิตชีวิตวิชีวิตมันไม่เป็นอะไรตอนที่มันทุกข์มันสุขม่ใช่ชีวิตมันเป็นอันหนึ่ง ไม่เหตุเหมือนเกิดน้ำที่อยู่เฉยๆมาเกิดเพื่อ ม, มันต้องมีอะไรส้อมผัดกับมันแล้รลอยโลจาว่าอ น, นั้นไม่ใช่ชีวิตมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็นอย่างนี้จะได้ปัญญาจากสิ่งเหล่านั้นนา้นไม่ใชไ่ไม่เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านั้น จนถึงความแฉะความเจ็บความตายก็ไม่เป็นไรกับสิ่งเหล่านั้นอ น, นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ชีวิตมันเป็นส่วนหนึ่ ง, ไ ม, งไม่ไปห้อยไปแขนไว้กับสิ่งที่มันเป็นไปอยู่กับสิ่งพระบ๊ะ ท, ที่ไม่เป็นตรงกันข้ามอย่างนี้ยอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งไม่เป็น มันก็เป็นช้าอันนี้ไม่ไเลยไเลยไม่เป็นสุขไปกับความสุขมันเป็นทุกข์ไปกับความทุกข์มีอะไรเก็บให้หมดเลยเกลี้ยงออนหลอดกันเข้าปั่นล้านวนลราณถล่กมันเคลี้ยงมันจบมันหมดมันชิน้นเหงอนพระพุทธเจ้าอ จากโดชาติชิ่นแล้วความวจารณ์อยู่จบแล้วไม่กำเริบอีกแล้วจิงที่ดับให้จริงต่างๆไม่เหลือมีอยู่เราได้ทำแล้วทำได้แล้วแล้วแล้ ว, ลวงานมันแล้วจะให้ทำอะไรไม่มีอะไรจะต้องทำ นันคนทำนาแปลงใหญ่ดำนาแปลงใหญ่มันก็แล้วทุกแค่ทุกมุมมันนั่งเป่าคุยบนเถียงนาก็ได้วอยเป็นบทพยศแล้วนั่งขีห่หลังควายเป่าคุยก็ได้แต่ก่อนต้องดึงหน้าดึงหลังเรามันช้อนไปช้อนมาก็มไม่ต้องดึงมันวางเชือกเลย ไปไหนมันก็ตามเราไปเรานั่งก็นั่งด้วยเรานอนก็นอนด้วยเอาไปเอามาหายทั้งเราทั้งควายไม่มีอะไรเลยเพราะมันไม่เป็นไรเหมือนกิจที่ฝึกตีแล้วนอนก็นอน น, อ น, น, อนันนนน่งก็นั่งยืนก็ตืนนัล้วก็เอาไปมาแลยไม่มีอะไรไม่มีอะไร นี่ชีวิตของเราละนะมีโอกาสเต็มที่แล้วเราถ้ามีกายมีใจแ้่มีลหลงน่ะแหะดีแล้วงานดได้ได้ทำงานเกี่ยวมันซะถ้าเข้าก็เกี่ยวมันซะตัดซะรู้แล้วนนั้ําแล้วก็หลงหมดไปแล้วหลงอีกรู้อีกเท่า น, นี้เองปฏิบัติธรรมเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนร้ายเป็นดีปฏิบัติธรรม มีเท่าไหลเปลี่ยนได้ไม่มีการไม่มีเวลานั่งอยู่นอนอยู่หนู่ยได้กองเพิงก็ยังทำได้อยู่ในน้ำใต้น้ำก็ทำได้แม่ใจหายใจไม่ได้ก็ยังทำได้ไปชิดกับความตายยิ่งมีสง่าราศี หายเจมไม่ได้นมรลอยปูมปกตาก็หลับไม่ลงเอ้ยมันก็ไม่มีจริงๆอะวตถุกเลยมันเห็นเห็นเช่นนั้นไม่ใช่ชีวิตอันที่ไม่ไม่เป็นมันไม่เป็นกับสิ่งเหล่านั้นเราชีวิตโอ้กองมาถามแล้วคนที่ไม่เคยฝึกจะเปันไงนะไม่เคยมีกองา ม, มาถาม่มที่ ทำไม่เป็นครับภาวะเช่นนั่นจะทำอย่างไรเพียงแต่ความหลงเพียงแต่ความโกรธความทุกข์โอ้ ย, เ ป, อย เ, ปอเปลือกกล้วยเหมือนกับเปลือกเหมือนกับพี่เปลือกกล้วยปอกเปลือกกล้วยกินง่ายง่ายทุกข์โกรธมันน่าจะยากอันภาวะที่เจ็บตายเลย มันต้องมีความเก่งกล้าไปจากปฏิบัติคือเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนะเปลี่ยนถ้ามันมีเปลี่ยนไม่หลงเปลี่ยนได้ได้ ง, ง, ง่ายง่ายหลงไม่หลงรนะู้สึกตัวนะยิ่งเรามีกรรมฐานมีมิตที่เกาะได้ยิ่งมั่นคง มีมือเคลื่อนไหวเดินจงกรมการเคลื่อนไหกายตาลรูมแบบสติปัฏฐานสี่ยกมือโยกเคลื่อนมือเขา้าเคลื่อนมือออกคู่แขนเขา้าเยื่อเชนโหนกยิ่งมาทำเป็นจังหวะเนี่ได้ทั้งสติได้ทั้งพลังงานบริหารร่างกายเจ้าของ แม่ลมหายใจเราหายใจเที่งเท่าเลยมากำหนดมันด้ซิหายใจยาวๆสิบรอบยี่สิบรบหายใจเข้าหายใจออกถูกกุดลมเข้ายาวๆสุดสะดือเอาลมออกยาวๆสุดสะดือที่สุดที่สุดมันก็ได้กำลังปอดได้กำลังปอด ได้ความเข้มแข็งจากการเคือนเดินจงกรมเวลานี้หลงต่อไม่เดินจงกรมย่องย่องเหมือนหมูนะบิงเอานะลี้งบินเอาซกซกซกกไเดินในที่มืดไม่ให้คนเห็นนะเรามันแก่บางทีวิ่งอย่างนี้แข่งเขอนวิ่ง เดินอย่างนี้วิ่งอย่างนี้สามสิบนาทีแข่งเขียนเลยสามสิบนาทีก็าารไรสว่างตอเกิดแสงสว่างคนเห็ น, นแล้วก็หยุดเหมาะจริงจิอยู่ในป่าเหมาะสำหรับฝึกตนเหมือนช้างฝึกช้างทวนช่างฝึกช้างเต็มที่เลยไม่ได้ ครับแค่ไม่ได้ลบกวนใครไปอยู่ที่ไหนก็ได้จึงเป็นสนามเป็นเมธีฝึกพวกเราให้มาใช่เพื่อฝึกตนจริงๆไม่ใช่เพื่อมาหลบรี่อะไร อยู่คนเดียวเพื่ออะไรเพื่อจะนอนหรือไม่ใช่เพื่อฝึกตนเองนอนก็ได้ก็ฝึกฝึกนอนนั่นแหละอนอนให้เอิมกินให้อิมให้ช่วยกันพอจะช่วยกันเชียงใดอำนวยความสุดวกเชิงไหนให้เกิดมีโอกาสได้รู้สึกตัวเนี่ยให้ช่วยกันไม่น่าจ่าย ในน้ำใจแล้วก็แล้วก็ลาดไปจากนี้แหละปฏิบัติธรรมแล้วมันลาดไปจากน้ำใจไม่เลือกที่รักพักที่ช่างเอ็นใครเจ่ดหลงมีน้ำใจต่อกันคิดจะช่วยเหลือแม้ไม่ได้ทำก็ยังคิดจะช่วย แล้วก็ช่วยกันได้ก็เป็นประโยชน์จริงๆทำได้แล้วอย่างอายุวนาสุกัปะละเกิดจากการช่วยอ่อนน้อมทม่อมตนด้จักกาบว้อยรบพูดร้อยกวัวเราที่ช่วยตัวเองไม่ได้มีน้ำใจอย่างไง รวมสมัครคีของหมู่คณะรวมเพิมเพียงของหมู่คณะโอเนี่ยมันเป็นที่ลาดทำใหเราได้ขึ้นสู่มักผลนี้ผ่านได้เหมือนถ้าเหมือนทางลงเทมันลาดทางขึ้นเทมันลาดมันลาดไปจากนี้ไม่ใช่หักตามผ้าด้วยเขา่าลาดลาดไ้ใจดีๆเอาไว้ ไม่เป็นไรเอาไว้อย่าไปเอาผิดเอาถูกบาทงทีลงโทษตัวเองเขี่ยนตัวอเองจนเกินไปไม่หลับไม่นอนก็ไม่ดีดาวให้รู้จักใช้ชีวิตของตนเองให้เหมาะให้สมตั้งใจไว้ดีๆตั้งกายไว้ดีีเราไม่เอาอะไรไม่เป็นไรเราจะทำซื่อๆนี่แหละ รู้จิตตัวไปเล่นไปอบยิ้มไว้ในใจไปเอาอย่างพระเจ้าพระเจ้าเขาทำนี่แหละพระสาวกทั้งหลายทำแบบนี้ถามตามนี้ไม่ใช่เราบ้าบออะไรมีกายมีใจมีความรู้จิตตัวภาในกายผิดตรงไหนอันไม่ผิดเหมือนความหลง มีความรู้ตัวไปในใจเห็นสิ่งที่มาเกิดขึ้ น, นกับกายกับใจฉันโศกเป็นทุกข์มันก็ได้งานด้วยการทํากับเผาแล้วทากับการเหล่านั้นมันหลงก็ไม่หลงได้งานจากความหลงมัสโศกก็ไม่สุกมีความรู้ได้งานจากความสุกความทุกข์ มีจะได้ไม่มีเสียมองให้ดีๆถ้ามองไม่ดีนี่ก็ผิดผิดถูกถูก็ไปไม่ถึงหนนะปฏิบัติธรรมลองดูแยบพลายในความผิดมันก็แยบพลายมันถ้าเห็นความผิดมันจะมันก็สดชื่นนะ เห็นความถูกก็สดชื่นเห็นความทุกข์ก็สดชื่นเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ความลู้มันสุดชื่นขยียนตรงนั้นนะเกิดความขยันตรงนั้นเกิดความภาคเพียนตรงนั้นไม่ทอดไม่ทิ้งไม่ทอดไม่ทิ้งให้ฉุกเป็นฉุกทิ้งเอ า, วาไว้ให้ทุกเป็นทุกทิ้งเอ า, วาไว้ให้โกรธให้โลภให้หลงทิ้งเอาไว้ ให้สอนตรงนั้นนะเอาให้เอาให้แล้วให้บรรเล้วแล้วไปแล้วความหลงได้ความรู้แล้วก็มีความรู้เปกําปราบความหลงเป็นความรู้เดี๋ยวแล้วไปแล้วชอบแล้วปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกแล้วปฏิบัติสมควรแล้ว เราก็ทำอย่างนี้เท่าไรงานที่มันได้ทําเราอยู่นี้แค่ชีวิตแบบนี้มันทํางานเพื่อโลกนะมันทํางานระดับโลกนะเราไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนใชงอื่นเดือดร้อนเราก็ทําประโยชน์ด้วยนะ รู้จักประหยัดรู้จักไม่พุ่มเพื่อพุพ่มผวยใชชีวิตเรียบง่ายจากนี้ไม่น่าจะขี้เกียจไม่น่าจะเบื่อหน่ายก็ไม่ได้ทรมานอะไรไม่ได้ ตับากอะไรเรานั่งอยู่นี่ก็ชื่อก็ช่วยโลกก็ว่าได้ช่วยตัวเราก็ช่วยโลกไม่ําแห้มีปัญหาเกิดขึ้นตัว ล, ลูกถ้าเราพอที่จะบอกจะช่วยกันน้ก็ช่วยกันไป ตนานำเพล็กให้ฉันให้กินก็ดีหผงเข้าให้กินต้มเข้าให้กินก็ดีบอกทางการอยู่ที่ไหนให้ความยิ้มเปยกันและกันก็ดีให้ความเป็นไม่เป็นเพื่อนกันถ้เกิดความสะดวกจีนเรานี้เป็นมิตรแท้ให้แต่ความสงบร่มเย็น ชีวิตร่มทําไมเปลี่ยนแปลงไปก็ได้มาใช้พวกเราทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้จากธรรมชาติธรรมชาติมีแต่มิตรแท้ให้แต่ความสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นมิตรกันเข้าไปอีกไม่มีใครเป็นศัตรูขั่วรี ก, การปากฝีปากไข่ต่อการพี่รู้สอ ง, น, องน้องรู้หนึ่ง อะไรก็ไทยถามกันไม่เปลี่ยวเดียวดาอาจารย์ทรงเฉินวัตรชัยอาจารย์ทุม่มอาจารย์อะไรเพื่อนของเราเยอะแยะเลยมือห้านิ้ว10บนิ้วเราชีวิตก็มีสมองมีกำลังมากช่วยเราได้จริงๆริอะไรที่มันมีปัญหาที่ทำมาได้ด้วย สติปัญญาอะไรก็าถามกาันแล้วก็ไม่ใช่ตาสิตาสาทอะรอยู่เนี่ยก็มีแต่ปัญญาชนไม่ใช่อะไรที่ราคาที่พึง่ง เราดูพิสูจน์กันดูก็ได้ว่าแต่เรามีสติมีกายมีสติมีใจมีสติเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเอาก ร, รมจำแนกไปเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยคุณใจนะท่านทั้งหลายจะอุนใจเหมือน้ลงตาหรือเปล่าก็เวลานี้เราหวังเพึ่งท่านทั้งหลายจริงๆ เราทําอะไรไม่ค่อยได้ก็เห็นเดินจงกรมพวกอุ่นใจนะมีชีวิตชีวาเนาะอยู่ที่นู้นไม่ค่อยเห็นคนเดินจงกรมมาอยู่นี่มีเห็นคนเดินจงกรมเห็นอยอดเห็นโยมรู้สึกมีบรรยากาศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีทำใหเราอุ่นอกอุ่นใจเออศาสนาเนี่คงอยู่ได้ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เนี้ ถ้าไปที่ไหนน่ยมีแต่คุยกันโชปปุรีอะไรคุยกันเล่นก็ไม่รู้จะพึ่งใครหมดโอกาสไปแล้วเขา่าพึ่งพวกเราต้องเราให้ช่วยกันมีสติเปลี่ยนคคมหลงเป็นโคมไม่หลงให้ท่านเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงจะเป็นที่พึ่งของเราเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธจะเป็นที่พึ่งของเรา เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกจะเป็นพึ่งของเราพึ่งสิ่งอื่นวัตถุอื่นจะพึ่งเราได้ในโลกนี้แม่แต่เม็ดดินเม็ดเห็นเม็ดชายสัตว์สาระชิงจะพึ่งเราได้ถ้าเราเปลี่ยนร้ายเป็นดีเนี่ยจะโลกก็จะอยู่ได้นอนก็ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีไม่เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงไม่เปลี่ยนร้ายเป็นดีโลกาจะพินาศ เราก็จะเลือนลอันกันนะอ่ะวันนี้ก็สมควรเจรเวลากราบพระพร้อมกัน